Book 2 9เก้าสิหกซีสัคำสันธานสามฟุดทีิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง สว d r a DIE ว่ k เกิดไรดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือแอกวอร์ดมุ SODRA ้อแอก e ุดเ e ียร e ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ a อก60 e อ HOU ว p WERK ร o so, d r a e ซิสตัอส คุณจะโทรมาเมื่อไหร่คบทันทีที่ดิฉันมีเวลาเเข า, า, ขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาอล บ, บาาคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Hoe l a n คอน a หญ่เวิร์กดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Ek x a l w e r k so l a n ังอสวัตอ k กกัดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Ek x a l w e r k so l a n ังอสวัตอักกสุนต์เเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน ใ er an n ้เล่นอินดิบิตแทนพลาสฟันอุ่มทเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าวไซเลสติคูรัน a n แทนพลาสฟั a อุ่มตะกุกเขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านใ i ้เซตนดีครุชแทน a ลาสฟันอุ่ม t ฮสตูตคอนเท่าที่ดิฉันทราบ บ้านเขาอยู่ที่นี่เเ so ท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบายเ so is เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงานอ so is ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลาดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาดิฉันหาทางไม่พบ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาีดนีอันดอร์สักด